มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความระวัดระแวดระ ว, ดระวังอยู่ด้วยกันด้วยไม่ผาสุกพื่ออะไรเพราะเราไม่อยู่ในหลักเหตุและผลมีแต่เปลียนปีนเกลียวกันอยู่เรื่อยนั่นแะจะหาความสงบสุขได้อย่างไรผล น, นั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเหตุนี่มันมาจากไหนมันเป็นอย่างนี้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 เมื่อเราเข้าเรา <c oughs> เราเข้าไปหาบุคคลคนคบอันนี้เป็นกรรยาณมิตรหรือไม่หรือเป็นปลารประมิตรถ้าว่าเป็นปลารประมิตรเราไปมิตรไปครบมิตรชั่วเราก็พลอยชั่วไปด้วยถ้าไปคบกรรยาณมิตรถ้ามิตรที่ดีหมู่พกเพื่อนกนน็แนะนําสั่งสอนไปในทางที่ดีก็เป็นคนดีไปได้แต่ถ้าเราครบมิตรชั่วเพ้อเผ้อไปคบ คนที่ขายยาบ้ายยามาคัญชายาาฝิ่นเข้าไปเออเห็นเนได้เงินง่ายวะ่ะ เ, เราก็เลยไปคบกับเขาคบปาปะมิตเน่ผลที่สุดก็เลยติดคุกติดตารางเสียกิติศัพท์ชื่อเสียงปนปี้ไปหมด เ, เพราะเห็นไรเพราะเราไม่รู้จักในการครบค้าสมาคมนี่ว่าปุขระประโรปรัญยุตา ในท่าที่หลวงพ่อเนี่ยพูดให้มาทั้งหมดทั้งเจข้อเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยสรุปแล้วคื อ, คอให้ใช้ปัญญาเนี่ยให้ใช้ความรอบคอบให้อยู่ในหลักเหตุผลถ้าคนเราอยู่ในหลักเหตุแ ล, ผ ล, และผลแล้วมีแต่ความ ส, สงบพร้มเย็นเป็นสุขคำว่าเหตุผลคำนี้น่คืออะไรหลวงตามหาบัวเนี่ยสมัยหลวงพ่อเข้าไปศึกษาหลวงพ่อเอเอเหตุผลเนี่